เรื่องสาถยะสนิมในใจหมายเลขสิบการซื้อขายสินค้าหน้าร้านตามธรรมดาคนขายเขามีวิธีพูดให้คนซื้อตกลงใจซื้อสองวิธีคือของสิ่งเดียวกันแต่พูดโฆษณาได้สองทางทางหนึ่งอวดเสียคือบอกว่าทางผู้ขายเองมีอันเป็นไปต่างๆยอมตัดราคา ยอมขาดทุนยอมล่มจมคือเอาทางที่ตัวจะเสียออกมาพูดให้ลูกค้าสงสารแล้วเลิกต่อจู้จี้อีกทางหนึ่งอวดดีก็ของชิ้นเดียวกันนั่นเองจะอวดข้างสรรพคุณของสิ่งนั้นก็ได้เช่นอวดว่าเป็นของสวยงามคุณภาพดีสีไม่ตกทนทานของดีก็ต้องราคาแพงปเะหมาะ พูดเป็นเชิงท้าทายคนซื้อเสียด้วยเช่นบอกว่าเชิญคุณไปหาดูทั่วตลาดกรุงเทพถ้ามีขายในราคานี้ผมจะซื้อหมดนี่เป็นการโฆษณาอีกแบบหนึ่งรวมแล้วคงมีสองแบบคือแบบปวดเสียกับแบบปวดดีคนโฆษณาตัวเองก็คล้ายๆกันคือมีสองแบบแบบมายาที่ว่ามาแล้วนั้น เป็นแบบอวดเสียเสียใดยเสียใจเสียหายเสียความต้องการอยากให้คนอื่นรู้จึงแสดงออกมาในรูปมายาส่วนอุปกิเลสข้อสาเทยะซึ่งจะบรรยายต่อไปนี้เป็นการโฆษณาแบบอวดดีเชิญท่านผู้อ่านติดตามดูวิธีของเขาต่อไปสาเทยะสำนวนพูดเราพูดว่า สาไถความหมายก็อย่างเดียวกันในที่นี้เราใช้คำว่าสาไถจะดูเข้าทีดีเพราะคำมันสั้นๆคล่องปากดีและเข้ากับความรู้สึกของชาวบ้านเราด้วยสาไถกับมายาสองข้อนี้เกี่ยวข้องใกล้ชิดมากถ้าเป็นผู้คนก็คงเป็นพี่น้องท้องเดียวกันทีเดียวมายาเป็นพี่สาไถเป็นน้อง หรือถ้าจะเอาพฤติการของอุปกิเลสคู่นี้เข้าไปใส่ในข้อเปรียบเทียบนั้นด้วยมายาก็คงจะเป็นพี่สามีจริต จ, จะก้านแปลวพรานนักส่วนสาถไทยก็คงจะเป็นน้องชายคอยเบ่งกล้ามตามควบคุมแม่มายาผู้พี่ส่วนอาการที่แสดงออกนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคนมายามีนิสัยขี้ออด ส่วนคนสาไถนิสัยขี้อวดผิดกันที่ออดกับอวดเท่านั้นเองสาเถยะหรือสาไถแปลว่าโออวดหมายถึงความคุยโวโอหังและมีคำใหม่อีกคำหนึ่งคือคำว่าโม้ก็พวกเดียวกันนี้คนมีอุปกิริตข้อนี้ก็คือคนขี้โอคนขี้อวดหรือคนโม้ ส่วนที่จะเอาออกอวดก็มีต่างๆเช่นเอาความมั่งมีออกอวดเรียกว่าอวดมั่งอวดมีเอาความรู้ออกอวดเรียกว่าอวดรู้เอาความฉลาดออกอวดเรียกว่าอวดฉลาดเอาความเก่งออกอวดเรียกว่าอวดเก่งเอาความดีออกอวดเรียกว่าอวดดี แล้วยังมีเรื่องอื่นอื่นอีกมากที่คนสาไทยจะใช้อวดได้แต่ความมุ่งหมายของการอวดดีก็เหมือนนกันคือผู้อวดมีเจตนาจะให้คนอื่นเกรงกลัวหรือเกิดอัศจรรย์หรืออย่างน้อยก็ให้เขาชมความเก่งกล้าสามารถของตัวอย่างไรก็ตามท่านผู้อ่าน จ, จะต้องยึดหลักเดิมไว้ให้ดีคือหลักเจตนา อปกกเลททั้ง16ข้อนี้เป็นเรื่องของเจตนาสาไถยนี้ก็เหมือนกันเป็นอาการของจิตใจมันเกิดสาไถยขึ้นมาไม่ว่าจะพูดจะทำอะไรก็เป็นการอวดเป็นสาไถยจนได้แต่ถ้าใจไม่มีสาไถยคิดอย่างอื่นจึงพูดไปทำไปก็ไม่เป็นการโอ้อวดพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระสาวกว่า พระองค์เป็นพระอาหารหันต์ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองมีวิชาดีมีความประพฤติเรียบร้อยดังนี้เป็นต้นก็ไม่เป็นสาถ่ยไม่เป็นการอวดเพราะเจตนาของพระองค์ไม่มุ่งจะอวดแต่ทรงมุ่งสอนให้พระสาวกเดินตามอย่างเท่านั้นบางทีครูเล่าให้สิทธิ์ฟังว่าสมัยเมื่อครูเป็นนักเรียนเคยเรียนเก่ง สอบไล่ได้คะแนนดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยมุ่งจะเร้าใจสิทธิ์ให้กระตือรือร้อนในการเรียนการเล่าก็ไม่เป็นการอวดดีไม่เป็นสาไถยบางคราวท่านผู้อ่านก็คงจะจำได้ทางราชการทหารและตารวจได้จัดให้มีการแสดงแสญญานุภาพให้ประชาชนชมคนเอาอาวุธยุทธพันธ์ตลอดจนรถ ปืนเครื่องมือต่างๆออกมาเดินสวนสนามและเป่าร้องให้คนไปดูอย่างนี้จะเป็นการสาธัายหรือเปล่าแล้วใครเป็นคนสาธัายโดยหลักการแล้วการแสดงแสนหยาดุภาพเช่นนั้นถ้าเป็นการแสดงให้ประชาชนพลเมืองเห็นความเข้มแข็งและเปรียรพร้อมของกองทัพซึ่งทุกคนมีส่วนช่วยกันสร้างขึ้นมาเห็นแล้วจะได้เกิดความอุ่นใจและเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นเรื่องของความหวังดีไม่ใช่การอวดดีจึงไม่เป็นสาไถคนที่สอบไล่ได้แล้วได้ใบประกาศ น, นียบัตรหรือปริญญาบัตรเอามาใส่กรอบติดไว้ในห้องรับแขกถ้ามีความมุ่งหมายจะให้เป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องแนะนำตัวเองหรือเป็นเครื่องเตือนใจลูกหลานไม่ได้คิดจะอวดก็ไม่เป็นอาการอวด คนที่ติดเครื่องหมายยศหรือประดับเหรียญตราก็เหมือนกันถ้าใจคิดจะอวดก็เป็นสาไถแต่ถ้าไม่คิดจะอวดคิดเสต่ว่าติดตามระเบียบหรือติดเพื่อแสดงความภาคภูมิใจของตนเองเตือนใจตนเองก็ไม่เป็นสาไถตกลงว่าเรื่องสาไทยนี้เอาเจตนาเป็นเกณฑ์จะเหมาเอาง่ายๆไม่ได้ถ้าใจมีสาไทยอยู่ในตัว หรือคิดจะอวดแล้วแม้จะจับไม้กวาดขึ้นกวาดพื้นแกรกเดียวก็เป็นการอวดความขยันเป็นสาไถ่ยได้แต่ถ้าชำระใจให้ดีใจไม่คิดจะโอ้อวดแต่งทองเต็มตัวเพื่อความสวยงามก็ไม่นับว่าจะอวดมั่งอวดมีตอนโทษสาถ่ยการอวดดีนี้แปลก ยิ่งอวดดียิ่งไม่ได้เราสังเกตดูใจเราเองก็รู้เมื่อเราได้ยินใครคุยโวโอ้อวดท้ายยิงช้างอ้างยิงเสือแทนที่ใจเราจะนิยมชมชอบกลับเกิดความรู้สึกในทางตรงกันข้ามคือเห็นไปว่าตาคนนั้นแกพูดยกตนข่มคนอื่นหรือไม่ก็ยกตัวเองเพียงจะหาเสียงและในใจก็นึกดูหมิ่นไปด้วยว่า แกพูดไม่จริงระบายสีเอาเองเพราะความจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไปใกล้เป็นว่าคนยิ่งมั่งมีก็ยิ่งไม่อยากพูดถึงสมบัติของตนยิ่งเก่งมากก็ยิ่งสงวนฝีมือยิ่งคงแก่เรียนก็ยิ่งอยากอ่านอยากฟังคำของคนอื่นนี่ความจริงเป็นอย่างนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดสโสอ้วน ท่านพูดเป็นคติไว้จับใจข้อหนึ่งว่ากระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ําขังเต็มแล้วลมพัดไม่ดังมีแต่นิ่งส่วนที่ลมพัดดังนั้นเป็นกระบอกเปล่าข้อนี้ท่านเทียบกับคนขี้อวดว่าคนขี้อวดนั้นเป็นคนว่างเปล่าเพราะจนจึงอยากอวดมั่งอวดมีเพราะโง่จึงอยากอวดฉลาดท่านว่าอย่างนี้ ก็เป็นความจริงแม้พวกสัตว์ต่างๆก็เหมือนกันพวกที่มีกำลังมากนักจะซุ่มนิ่งพวกส่งเสียงดังมักจะเป็นพวกอ่อนแออึึงตัวเท่ากำปั้นแต่ส่งเสียงดังลั่นทุง่งวาจาโอหังยิ่งกว่าวัวควายยิ่งกว่าช้างยิ่งกว่าเสือด้วยซ้ำเหมือนคนขี้ขลาดเดินผ่านที่เปลี่ยวคนเดียวต้องเสียงเออะอะ บางทีก็ร้องเพลงสุดเสียงแต่คนกล้าเดินเงียบโดยเหตุที่ยกมาพอเป็นตัวอย่างนี้คนเรายิ่งคุยโวโออวดก็ยิ่งเป็นการประจานตัวเองให้คนทั้งหลายรู้พื้นของตัวอวดฉลาดก็เท่ากับบอกว่าตัวงโง่อวดมั่งอวดมีก็เท่ากับบอกว่าตัวจนอวดดีก็เท่ากับบอกว่าตัวไม่ดีคนขี้อวด โดยปกติแล้วเป็นคนพูดมากแต่น้ำคำที่มากมายของเขาหากจะเปรียบก็เหมือนฟองสบู่สักผ้าคือสบู่สักผ้านั้นเวลาเราขยี้เข้ามากๆมันเกิดเป็นฟองยิ่งขยี้เข้ามากๆฟองก็ยิ่งมากจนล้นกละมังทีเดียวแต่ฟองที่มากขึ้นนั้นมันพองตัวขึ้นเองไม่มีน้ำมีเนื้ออะไรเพิ่มขึ้นเลยมีแต่โป่องอากาศ เนื้อก็ไม่เพิ่มน้ำหนักก็ไม่เพิ่มพอเวลาเลิกขยี้เสียประเดี๋ยวมันก็ยุบตัวลงเหลือนิดเดียวนิสัยคนสาไถยก็เหมือนกันเวลาเขาโอ้อวดเรื่องอะไรถ้าคนฟังทำเป็นนั่งอ้าปากหวอคอยซักคอยถามและชมเชยสลับไปบ้างเขาจะยิ่งได้ใจคอยสังเกตดูสิคำพูดของเขาเองจะค่อยๆผ่องขึ้น เหมือนกับฟองสบู่อย่างนั้นแหละพองขึ้นมากๆจนคนฟังไม่รู้ว่าความจริงของเรื่องมันแค่ไหนเริ่มต้นก็บอกว่าตัวเป็นลูกตาโถแล้วก็เล่าว่าตาโถเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นหลานท่านกำนันกำนันเป็นน้องแนอำเภอแนอำเภอเป็นลูกเจ้าเมืองเจ้าเมืองเป็นพี่เทสาเทสาก็สืบสายโลหิต มาจากเสนาบดีเสนาบดีก็เป็นพระอนุชาของพระเจ้าอยู่หัวไล่ไปไล่มาพระเจ้าอยู่หัวก็สืบสายมาจากพระอิน์บนฟ้าเรื่องของคนกี้อวดเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องจะเอาตัวเป็นญาติกับพระอินให้ได้ยิ่งยุยิ่งไปใหญ่ถ้าอยากรู้แน่ว่าตัวจริงแกเป็นใครต้องคอยดูเวลานิ่งๆให้ฟองมันยุบเสียก่อน แล้วเราจะเห็นตัวจริงนิดเดียวเท่านั้นชั้นที่สุดแม้แต่ที่อ้างว่าเป็นลูกตาโถก็อาจเป็นเพียงหลานตาโถหรือไม่อาจเป็นเพียงเคยไปอาศัยอยู่บ้านตาโถเท่านั้นก็ได้โรคพองสาถอยอย่างนี้ในเมืองไทยเรามีอยู่แยะเหมือนกันสังเกตดูเวลาใครมีบุญวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโต ก็มักจะมีคนคอยอ้างว่าตัวเป็นญาติบ้างเป็นเพื่อนสนิทกันบ้างที่แรกก็บอกว่าคุ้นเคยกับท่านรัฐมนตรีดีครั้นไล่เลียงเข้าไปมากๆกลายเป็นญาติข้างเมียไล่เข้าไปอีกว่ามีใครก็กลายเป็นว่าเมียของคนขับรถของท่านอีกที่หนึ่งยิ่งทัดตอนเข้ามากๆเลยไปกันใหญ่ได้ความว่า น้องเมียของผมเป็นญาติกับเมียของเพื่อนของพี่เมียของคนใช้ในบ้านของคนขับรถของญาติข้างคนหญิงคนเล็กของท่านรัฐมนตรีแหมที่แรกบอกเป็นดิบเป็นดีว่าตัวคุ้นกับรัฐมนตรีแต่ความจริงแล้วตัวเองห่างจากท่านรัฐมนตรีตั้งหลายกิโลท่านผู้อ่านลองคิดลำดับชั้นดูก็แล้วกัน เรื่องจะอวดเท่านั้นเองคนขี้อวดจึงเป็นพวกตัวโจกคือเอาตัวเองออกไปเป็นเครื่องเล่นให้คนอื่นเป็นที่รังเกยียจของวินยูชนทั้งหลายและที่ร้ายยิ่งกว่านั้นนิสัยโอ้อวดทำให้คนดูเบาในเหตุการณ์มีทางประมาทพลาดพลั้งได้ง่ายเล่านิทานสั้นๆสู่กันฟังสักเรื่องดีกว่าตอน เต่าสาไถมีเต่าตัวหนึ่งนิสัยเสียเป็นเต่าสาไถชอบปวดความกิ่งกล้าสามารถของตัวมันตีราคาตัวมันเองผิดไปเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินสู้มันไม่ได้มันคิดอยู่ว่าเต่า อ, อยู่ในน้ำก็อยู่ได้บนบกก็อยู่ได้เต่าไม่กลัวหมากัดเต่าไม่กลัวงูรัด เต่าไม่กลัวจระเข้รังแกยิ่งไปได้ยินบรรพบุรุษเต่าเล่ากันสืบมาว่าในกราวแข่งขันกีฬาระหว่างชาติเต่าออยัางชนะกระต่ายในการวิ่งทางไกลอีกด้วยเต่าสาไัยเลยคิดแปว่าบนพื้นปฐพีนี้ไม่มีอะไรที่เต่าทำไม่ได้ครั้นอยู่มากาลครั้งหนึ่งเกิดฝนแง้งน้ำในบึงที่เต่า อ, อาศัยอยู่ก็แห้งหมด แม้ดินก้อนบึงก็แยกระแหงด้วยแรงแดดเจ้าเต่าสาไทยเดินงุ่มง่ามไปมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวรอวันตายเพราะไม่มีน้ำจะกินขณะนั้นหงคู่หนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้าก็เกิดความสงสารจะช่วยนาเต่าไปส่งยังทะเลสาบณ่แดนไกลเมื่อตกลงกับเต่าแล้วก็หาขนแนงไม้มาอันหนึ่ง ที่เหนียวพอจะทานน้ำหนักเต่าได้ให้เต่าคาบตรงกลางขแขนงไม้ฝ่ายหงผู้ปราณีสั่งแล้วสั่งเล่าว่าขณะที่กําลังเดินทางไปในอากาศท่านเต่า อ, อย่าได้อ้าปากเปน็นนันขาดว่าแล้วหงทั้งคู่ก็คาบปลายขแขนงไม้ตัวละข้างเฮินขึ้นสู่เวหาบายหน้าไปยังทะเลสาบที่หมายปลายทาง รันผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเด็กๆ เ, เห็นเข้าก็าพากันตะโกนทักว่าดูแน่หงหามเต่าหงหามเต่าเสียงนี้ได้ยินไปถึงเต่าสาไถเต่าจึงคิดอยากอวดเก่งตามวิสัยขี้อวดของตัวจึงอยากจะบอกกับพวกเด็กงโง่เหล่านั้นว่าไม่ใช่หงหามเต่าแต่เต่าหามหงความขี้อวด ทำให้ลืมตัวคิดแต่จะออกอากาศแถลงแก้ข่าวให้เด็กๆ เ, เหล่านั้นเข้าใจแต่พออ้าปากขึ้นยังไม่ทันพูดสักคำเดียวร่างของเต่าสาไถก็ลอยลิ้วลงสู่แผ่นดินแหลกละเอียดตายเพราะนิสัยขี้อวดแท้ๆสมน้ำหน้าสรุปแล้วการโอ้อวดเป็นการนำภัยมาสู่ตัวเพราะความะล่าใจคนขี้อวด รวมอยมู่ในหมู่ใดก็ชอบชักศึกเข้าบ้านเพราะการท้าทายคนที่อยู่ในฐานะที่จะต้องแสดงความสามารถเช่นจะแข่งขันชิงชัยไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะพูดอวดตัวไปล่วงหน้าเพราะการโอ้อวดล่วงหน้านั้นจะเป็นการขุดหลุมฝังศพตัวเองไว้เย้ยศัตรูขาทุนเปล่าตอนแก้สาถย อุปากิเลข้อนี้ต้องแก้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตัวพยายามฝึกตนเองให้มีการถ่อมตัวเป็นนิสัยซึ่งแก้ได้ไม่สู้ยากนักข้อสําคัญให้รู้ตัวว่าการอวดดีนั้นที่แท้เป็นการแสดงความไม่ดีของตนเองเหมือนคนที่ขนสมบัติมากองไว้อวดคนข้างถนนแทนที่ใครๆจะเห็นว่าแกเป็นคนมั่งมี กลับจะเห็นว่าเป็นคนอนาถาหาบ้านเรือนพอจะเก็บสมบัติของตัวก็ไม่ได้คิดถึงโทษของสาไถให้อายแก่ใจแล้วก็แก้สาไถได้เอง